บัด น, นี้อัตโนอัตมาภาพจะได้แสดงธรรมก็จะไม่ขอว่าไม่ขอเรียกว่าเป็นการเทศดีกว่าเพราะว่าในการเทศนั้นต้องใช้ปัญญาอย่างมากเหมือนกับที่หลวงพ่อได้เทศในตอนเช้าๆต้องใช้ปัญญาในการคิดและเทศจะขอเรียกว่าเป็นการบรรยายธรรมดีกว่าเพราะว่าคนที่มานี้เยอะมีเยอะมาก แล้วก็คนที่มาส่วนใหญ่วัดนี้ไม่ธรรมดาขังขังทั้งนั้นในการปฏิบัติบางคนอย่างที่เราเห็นเนี่ยเท่าที่รู้จักโยมบางคนเนี่ยเก่งกับฆรารวาสอีกไอ้ไม่ใช่เก่งกว่ า, าพระภิกษุฆราวาสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มันใยญ่ทำแชร์เป็นประสบการณ์ใครที่นั่งสมาธิได้ก็เชิญนั่งส่วนใครที่ไม่ถนัดเพราะว่าดูแล้วเนี่ย มีคนที่มาหน้าใหม่ๆเยอะมากไม่คุ้นหน้าเยอะมากอาจจะมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังปฏิบัติได้ไม่ไมสะดวกก็ให้เรานั่งสบายๆนั่งฟังให้มีสติแล้วก็มีสมาธิในการฟังอาจจะไม่ต้องหลับตาก็ได้ก็คือในการที่แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยวัดเราก็คือวัดเขาอิติสุภโตเนี่ยมีการจัด โครงการปฏิบัติธรรมขึ้นมาเป็นระยะเวลาสามสิบปีแล้วที่ ผ, ผ่านมาเนี่ยก็จะมาทุกปีสมัยก่อนอยู่ที่นี่ก็จะเข้าทุกปีทั้งแต่บวชบวชเข้ามาเนี่ยเข้าทุกปีแล้วก็ออกไปเป็นเจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อก็สั่งว่าให้พระเจ้าวาดทั้งหลายเนี่ยให้มาทุกปีเพื่อเหมือนกับว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการชาร์ตแบตหนึ่งที ชั้นแบตนี้ก็คือมาฝึกสติสมาธิและรับฟังเทศนาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยให้เกิดเป็นปัญญาเราสามารถเอากลับไปสอนญาติโยมที่ต่างจังหวัดได้ในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยญาติโยมบางคนที่มาใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดียังไงมันปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรบ้างอ่า คนที่มาเก่าๆเนี่ยเขาก็จะรู้ของเขาว่าในการมาปฏิบัติเนี่ยมันดียังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นปัจจัตังคือรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนมันอธิบายกันไม่ได้ว่ามันว่ามันดียังไงแต่ว่าเราก็ต้องลองพิสูจน์เอาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็คือเป็นของศาสนาพุทธ ศาสนาก็คือเรื่องของความเชื่ออยู่แล้วในศาสนาเนี่ยก็มีองค์ประกอบ3มอย่างก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าก็คือศาสนาของเรานั่นเองพระธรรมก็คือพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดขึ้นมาเพื่อเอามาสอนกับพวกเราเราอมัสสกอมัสสิกาทั้งหลายโดยที่พระพุทธเจ้าคิดพระธรรมขึ้นมาได้เนี่ย กิดจาปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาคือท่านคิดออกมาได้เองแล้วก็มาบัญญัติเป็นพระไตรปิฎกโดยที่ให้พระสงฆ์องคประกอบที่สเป็นผู้เผยแผ่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยเราก็จะมีวัดมเยอะแยะมากมายก็คือมีพระสงฆ์เป็นเจ้าวาดก็คือเป็นหัวหน้าเป็นผู้รับผิด ช, ชอบเหมือนหัวหน้าครอบครัวหรือถ้าเปรียบเทียบเป็น การทำงานก็คือเป็นเจ้าของบริษัทก็จะมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในย้อนกลับไปในเบื้องต้นว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันเพื่ออะไรเพราะว่าในเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราเข้ามาอยู่ศาสนาพุทธศา ส, สนามันเป็นความเชื่ออยู่แล้วเท่ากับว่าเราก็ต้องเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็เชื่อในพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่เชื่อในพระสงฆ์ ที่เป็นผู้เผยแผ่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันมีวัดเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองได้คือเราไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเราต้องลองก่อนลองปฏิบัติเองดูว่าปฏิบัติแล้วมันดียังไงไปวัดนี้คําสอนเ้าสอนแบบไหนสอนแล้วปฏิบัติแล้วมันมีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียให้กับตัวเราเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เพราะศาสนาพุทธเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นผู้ที่ออกออกธรรมะออกกฎต่างๆมาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรเลยอ่าเราสามารถทดลองได้พิสูจน์ได้ถ้าเราทำแล้วกลับไปมันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาอีกก็ได้แต่ถ้าใครทำแล้วคิดว่ามันกลับไปแล้วชีวิตเราดีเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยอ่าถ้ากลับไปแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเนี่ย เราก็จะมาอีกเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองดูเพราะนั้นคําตอบคําถามนี้เราก็ต้องค้นหาคําตอบกันเอาเองส่วนในการที่เราได้เลือกเข้ามาแล้วว่าเราเป็นชาวพุทธเลือกศาสนาพุทธแล้วก็เลือกพระ ส, สงฆ์ก็คือเลือกวัดนี้วัดเขาอิติสุขโ ต, โตเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีหลวงพ่อก็คือเป็นเจ้าวาดเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกศา ส, สนาเป็นเรื่องของความเชื่อ เราต้องมีความเชื่อมั่นและศรัท ธ, ธาก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นและมีความศรัท ธ, ธาไม่งั้นเนี่ยปฏิบัติยังไงมันก็ไม่มีทางสําเร็จอย่างหลวงพ่อท่านก็ได้สอนในวัดของเราเนี่ยอาตมาก็ได้บวชมาเมื่อไปอยู่ที่นี่มา 4, 4, สาี่สี่พรรษาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่พิจิตรอีก 3, สามพรรษาในระยะเวลา 4, สี่พรรษาที่ได้อยู่มาเนี่ยก็ถือว่า โชคดีได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อพอสมควรเพราะว่าได้รับมอบหมายให้เป็นเลขาอยู่ช่วงหนึ่งก็ในการที่ได้อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็ได้สอนหลายๆอย่างอย่างสอนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะว่าในวัดของเราเนี่ยเราลองไปสังเกตดูเราไปหลายๆวัดวัดนู้นวัดนี้เราลองดูว่า วัดอ like ื like far, children, the Aww, people, ่นเนี่ยมันก็ไม่อยู่แบบวัดเราวัดเราเนี่ยอยู่เหมือนครอบครัวรักกันเป็นพี่น้องอยู่เป็นแฟมิลีเลยส่วนวัดอื่นเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างอยู่บวชเข้ามาก็ต่างคนต่างอยู่มีวัดเราเนี่ยเท่าที่สัมผัสมาลองไปมาหลายๆวัดเนี่ยความรักกันของวัดเราเนี่ยมันอยู่แบบครอบครัวอยู่แบบพี่น้องรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอันนี้ก็คือเป็นการสอนในการอยู่ร่วมกันมันได้ธรรมะ พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะธรรมะเนี่ยอย่างที่เราได้ฟังจากเกจิอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยธรรมะมันก็คือธรรมชาติการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อดูในตัวธรรมชาติเพื่อให้มันออกมาเป็นธรรมะแต่ว่าการที่เราจะได้ธรรมะนั้นเนี่ยอย่างที่มบอกว่ามันก็ต้องมีปัญญาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่า พระพุทธเจ้านั้นเกิดปัญญาเลยออกพรธรรำคำสั่งสอนออกมาได้แต่ไอตัวปัญญาต่างๆเนี่ยเราเคยได้ยินมาเยอะว่าปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายคือให้มันเกิดปัญญาเนี่ยเราบวชมา4ปีสมปี4ปีเนี่ยก็ได้ฟังมาทุกปีว่านั่งสมาธิกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าตัวปัญญาคืออะไรเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า เป็นนามธรรมมันไม่ใช่ลูปประธรรมที่เราจะเห็นได้แต่ขอยกตัวอย่างยอย่างการที่ได้อยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อเนี่ยเคยนั่งนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านได้คุยกับญาติโยมซึ่งเราได้ฟังแล้วเนี่ ร, รู้อ๋อไอคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถคิดได้แบบนี้นี่เองนั่นคือขอยกตัวอย่างอันนี้อาจจะเคยเล่าให้ญาติโยมเก่าๆเนี่ยเคยฟังแล้วแต่มันก็เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นเหตุในการกรณีศึกษาที่ดีก็คือว่าอย่างเราเนี่ยมาหัวหินบางคนมาจากภาคเหนืออยู่ไกลหน่อยนั่งรถมาไกลๆมิเรานั่งรถตู้หรือว่ามีคนขับรถมาให้เนี่ยพอลงามาถึงลงจากรถตลอดการเดินทางนอนตลอดลงจากรถมาปุ๊บเกิดการเพียทำไมมันรู้สึกอ่อนเพียงง่วงนอนอยากจะไปนอนพักผ่อนอีกรอบหนึ่งอ่า เพราะว่าเคยได้ยินโยมเขาก็มาคุยให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าในการเดินทางที่เราเดินทางกันมาใกลๆเนี่ยทําไมมันถึงต้องเพรียเพราะว่าในการที่เรานั่งรถมาต่อให้เรานอนจิตของเรานั้นได้พักผ่อนแต่ว่าไอ้ร่างกายของเรามันไม่ได้พักผ่อนรถมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนเรานอนอยู่ในเตียงของเรารถมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เจอทางขูข่คะก็มีกระโดดกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเรามันไม่ได้เกิดการพักผ่อนมันเหมือนมีการทํางานของกล้ามเนื้อเลือดมีการสูบฉีดตลอดเวลามีการทํางานดึงออกซิเจนออกมาอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ไปเลยซึ่งพอมีการทํางานของกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดสูบฉีดเนี่ยเราก็จะเกิดการเหนื่อยการล้าของร่างกาย เหมือนกับที่เวลาเรามีการออกกําลังมีการฟุตเวิร์กต่างๆหรือว่ามีการ jogging ต่างๆเนี่ยมันก็จะเหนื่อยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยเราฟังปุ๊บเราโอ้โหท่านคิดได้ยังไงเราก็จะเคยได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อนี่หลวงพ่อบอกว่าปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารอย่างที่เมื่อเช้าท่านได้เทศไปเนี่ยพอเราฟังดูเนี่ยไอ้รอบรู้ในกองสังขารที่แทมันเป็นแบบนี้นี่เอง ผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่สามารถคิดได้นึกออกคิดออกมาได้ว่าอ๋อที่แท้ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือธรรมชาติเนี่ยอันนี้เราก็ได้สามารถได้รู้ว่าอ๋อปฏิบัติไปเพื่อให้เกิดปัญญามันเป็นแบบนี้แต่เราก็ไม่ต้องซีเรียสเราหนึ่งคือเรามีความเชื่อมั่นก่อนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นและมีการปฏิบัติก่อนที่จะเกิดปัญญานั้น เราต้องปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้เทศสติเพื่อให้เกิดสติคือความรู้ตัวเหมือนที่เรารู้ตัวว่าเรากําลังมาฝึกนั่งกรรมฐานสมาธิอยู่กันแบบนี้อันนี้ก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเก็จความรู้ต่อไปไอ้ที่ได้พูดไปว่าการที่เราบวชเข้ามาที่นวัดนี้เนี่ยที่มีการสอนหลายอย่างเป็นข้อดีหลายอย่างอย่างเช่นว่าข้อหนึ่งที่พูดไปคืออยู่ด้วยการ สามัคคีกันข้อ2ก็คือการอยู่แล้วก็ได้รู้ในเรื่องของบุญเรื่องของกรรมต่างๆอย่างเช่นเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีจริงบุญมันก็มีจริงเราอาจจะไม่เชื่อหรือว่าไม่เข้าใจเพราะว่าตัวอาตมาเองเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากแล้วก็ที่สงสัยเยอะ เวลาเจออะไรที่มันแปลกใหม่ก็จะอยากรู้อยากทดลองอยากพิสูจน์ไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รู้ว่าอ้อที่แท้กรรมมันมีจริงเนี่ยมันเป็นแบบไหนนี่เองอย่างเช่นว่าวันก่อนที่พระอ้ อ, อได้พูดไป เ, เรานั่งฟังเอาพี่ออเขาว่าเรานี่ว่าที่พี่อ้อเขาพูดเรื่องของกินะ่ะที่ว่าไปพระมีปัญหาเนี่ยก็คืออาตมาเองเข้ามาบวชเข้ามาพรรษาแรก เราอาจจะยังไม่ได้ฝึกสมาธิปัญญายังไม่เกิดยั ง, งโง่อยู่เพะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเอาแต่ใจอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีการเอาแต่ใจเล่นสนุกไปวันวันมาจากครอบครัวที่ถือว่าพอมีฐานะเพะฉะนั้นเนี่ยมาบวชต่างจังหวัดแบบเนี้ยเราก็ได้ บวชวินทบาตอะไรมารับห้องกับข้าวสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ดีเหมือนสมัยนี้น ะ, ะเราก็สังเกตดูว่าทุกวันทุกวันเนี่ยทาไมอาหารมันแค่นี้วัดก็ออกจะใหญ่โตมีเงินเยอะแยะมากมายกรถินเยอะแยะทําไมเขาทําอาหารให้พระกินกันแค่นี้พระก็ที่นี่ก็ทํางานหนักหนักมากทําเยี่ยงกรรมกรเลย อ่าแ่ทำไมแค่เรื่องของกินแค่นี้ทำให้ดีๆไม่ได้หรออะทะเลาะกันถึงกับกันไปทะเลาะกับชีนาอคุยกันเรื่องเนี้ยเรียกชีนามาคุยไอ้ผมอยากไม่เข้าใจอยากรู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหทะเลาะกันไปพักหนึ่งไม่ถูกกันไปพักหนึ่งจนเริ่มไม่ได้ละอย่างที่บอกหลวงพ่อสอนในการอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวคิดดูว่าถ้าเราเป็นครอบครัวเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเราลองคิดดูว่าเราทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันรุนแรงขึ้นเริ่มไม่คุยกันไม่มองหน้ากันเรื่อยๆเนี่ยจะอยู่ไหวไหมมันก็อยู่ไม่ไหวจนในที่สุดเราทำยังไงเราก็ต้องไปให้คนตัดสินใครเป็นคนตัดสินเข้าหวหน้าครอบครัวก็คือใครก็คือหลวงพ่อก็พยายามจะเข้าไปคุยกับหลวงพ่อว่าคือเราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดเขาก็มั่นใจว่าเขาก็ไม่ได้ผิด เพราะฉะนั้นใครผิดก็ต้องเข้าหาหลวงพ่อเข้าไปจะไปถามเนี่ยยังไม่ทันได้ถามหลวงพ่อท่านก็ได้พูดมาก่อนก็ได้เล่าเล่ า, เ ล, าเล่าเรื่องต่างๆว่าสมัยก่อนหลวงพ่อบวชมาบิณฑบาตบวนมาใหม่ๆบิณฑบาตได้ของกินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบิร์นไฟเปิดถุงกับข้าออกมาบางทีสกรปรกมีเศษผมเศษ อะไรสกรปรกท่านก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบที่นี่ใส่บาทมันกับข้าวสกรปรกแต่พอท่านรู้ว่าคนที่เขาตื่นมาใส่บาต ท, ทุกวันเขาอาจจะเป็นโรคประจำตัวอพอดีจำไม่ได้เพราะเรื่องมันนานละแต่ประมาณนี้แหละประมาณว่าเขาไม่สบายแต่เขามีใจมุ่งมั่นและมีจิตที่ศรัทธา ที่จะตื่นเช้าทุกวันมาทำอาหารใส่บาดรู้สึกเขาน่าจะเป็นเบาหวานหรืออะไรเนี่ยแหละแต่เขาตื่นลุกขึ้นมาใส่บาดตั้งใจทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอากับข้าวเขามาเนี่ยแล้วเราเอาไปเททิ้งหรือว่ามันไม่ดีทำในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยท่านก็บอกว่ามึงก็ไม่ใช่พ้าแล้วอย่างนี้มันเหี้ยชัดๆอ่าเราก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเออจริงนี่วะ ไอ้ที่เขาให้สวดปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังมันเป็นบทสวดที่ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็คือให้พิจารณาอาหารว่าผู้ที่ทรงศีลก็คือพระภิกษุให้ฉันแต่พอดีให้ร่างกายพออยู่รอดได้เพื่อในการนำลงในการปฏิบัติธรรมะังนั้นในสภาวะที่เรามาเป็นพระเราทาแบบนี้พอหลวงพ่อมาชี้นาทางให้ที่แท้เราผิดนี่หว่า เออมันไม่ใช่ละก็เลยรู้สึกว่าไอเนี้ยเราผิดแล้วก็ได้ทางสว่างหลวงพ่อให้ปัญญามาพอเราคิดได้แนละ้วว่าผิดก็เลยไปนัดคุยกับชีนาชีนานัดคุยแรกๆถึงท่านตกใจหลวงพี่ฮะมาทําอะไรอีกหลอนเวลาชีนาตอนนั้นเพราะเรากัดเยอะเราจิกเยอะกัดเยอะเป็นพวกรุนแรงอชีนาบอกฮะหลวงพี่มาทําอะไร เราก็บอกว่าขอคุยหน่อยนิดหนึ่งพอดีว่าในฐานะไม่ใช่พระไม่ใช่ชีแต่ในฐานะพี่น้องที่ท่านอยู่มาก่อนเราเรามาอยู่ที่หลังเราอาจจะไม่รู้อะไรเยอะแต่ว่าได้รับทมคำสั่งสอนจากหลวงพ่อมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ขอโทษข อ, อหัวสิกรรมเลิกแล้วต่อ ก, กันแล้วตั้งแต่นั้นก็เลยจบเรื่องนี้ไปอันนี้ก็คือทำมาอย่างหนึ่ง ในวัดนี้ที่ให้กับเราหลวงพ่อเคยบอกว่าวันนี้เปรียบเสมือนมหาลัยก็คือมหาลัยอิติสุขโตถ้าเราอยู่รอดได้เนี่ยอยู่จนตลอดรอดฟังเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้เพราะว่ามันถ้าเราลองคิดพิจารณานิดนึงเนี่ยมันเป็นการจําลองระบบใหญ่ๆออกมาเลยเป็นการจำลองระบบครอบครัวใหญ่หรือแม้แต่องค์กรอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่ในนี้หมดทุกอย่าง มันมีทุกอย่างจริงๆเราเคยมานั่งพิจารณาดูว่าวันนี้มีทุกอย่างจริงๆสอนแม้กระทั่งให้เกี่ยวข้าวทำนาเกี่ยวข้าวโดยไม่ใช้รถให้ใช้มือเกี่ยวสอนแม้กระทั่งว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาขี้วัวขี้ควายไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนองค์กรอะไรองค์กรหนึ่งอยู่ในนี้แล้วก็มีหน้าที่มีแผนกต่างๆ ก็คือมีพระมีชีในการทําสิ่งต่างๆออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมจริงๆพอเรามาเนี่ยรู้เลยเพราะว่าตอนนี้สามารถเริ่มที่จะสร้างข้อสอนในเรื่องอะไรเรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องกรรมเรื่องบุญในเรื่องของบุญก็เหมือนกันอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปทอดกรถิน ที่พิจิต4สี่ห้าวัดหลวงพ่อก็ได้สัง่งได้แนะนำมาเลยบอกว่าให้เราเนี่ยทำบุญเราเห็นวัดไหนเนี่ยมีการทำบุญสร้างโบสถ์เนี่ยในเมื่อวัดเราโบสถ์มันยังไม่เสร็จวัดไหนทำบุญเนี่ยสร้างโบสถ์เราก็ควรจะไปทำอันนี้ส่ผลบุญเนี่ยเผื่อวัดเรามันจะได้เสร็จแบบวัดเขาอันนี้ก็เป็นในเรื่องของบุญทำไปทำมา ย้ายไปอยู่ที่นูน่นเราก็ไปสร้างสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้สอนก็นนคือสอนในเรื่องของบุญบา ร, รมีและการให้ทานบา ร, รมีต่างๆเราก็ไปให้ไปแจกเห็นครูบาอาจารย์สอนทำให้เราดูเราก็ไปทำบ้างไปแจกแจกเยอะๆจนเขารู้แล้วว่าวัดเนี้ยเวลามีงานมีอะไรเนี่ยจะส่งคนมาขอขอประจำเขาขอเราก็ให้ หลวงพ่อบอกยิ่งให้ยิ่งได้เขาขอให้วัดเราไปแจกเราก็ไปเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจากที่เนี่ยมอจรอที่วิจิตขออีกให้ไปแจกเดี๋ยวเราก็ไปท่านขอมาเราก็ไปได้อขอไปแจกไปแจกไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีบุญบารมีอะไรสักอย่างเข้ามาอย่างเช่นว่าตั้งใจจะมาทําแจกทานที่เนี่ยที่พระกิจได้พูดไป บาร์คิวคาโบนาร่าอะไรเนี่ยเราจังใจจะทำแค่นิดหน่อยเพราะว่ากำลังเราอาจจะมีไม่เยอะเพราะของพวกนี้มันมีราคาสูงพอทำไปปุ๊บบอกว่ามันมีคนมาร่วมทำบุญรืออยู่มีคนเอาเงินมาให้หลวงพ่อเขาสอนว่าไม่ให้ขอไม่ให้เรียอะไรอ่าเราก็ไม่ขอไม่เรียนอะไรทำไปทำมาคนเดินผ่านไปผ่านมาเอาเงินมาร่วมมาร่วมร่วมจนเราสามารถทำได้อีกเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า เออคนเขาอยากกินกันเราก็ทาให้จะถึงเวลาจริงๆคิดว่าทำไม่ได้แต่มันด้วยบุญอะไรสักอย่างมันทำให้เราสามารถทำได้แจกบาร์บีคิวมาสองวันเดี๋ยวคาโบนาร่าสองวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมันก็มีคนเอาเงินมาให้จริงๆเราต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในศาสนาในสิ่งต่างๆเนี่ย เราเชื่อมั่นว่าทําได้นะเพราะคุยกับชีนาบอกว่าเอ๊ะมันจะไหวเหรอผมกะ จ, จะทําแค่นี้ชีนาบอกคนมันเยอะหลวงพี่ไม่พอหรอกมันหลวงพี่ถ้าทําแล้วมันไม่พอมันก็ไม่ดีนะน่าจะทําเยอะๆผมบอกมันแพงนะชีนาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวชีนาช่วยอช่วยไปช่วยมาชีนาไม่ต้องช่วยแล้วเพราะมีคนมันช่วยกันมาเองเนี่ยเราก็ลองดูว่าเออ มันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้คาที่เขาเรียกว่าบุญที่แท้บุญมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติไปเนี่ยเราเราอาจจะเข้าใจเองว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์กันไปในเรื่องต่อไปส่วนที่สามบุญไปแล้วกรรมไปแล้วก็คือเรื่องของการปฏิบัติก็คือสิ่งสําคัญเพราะว่าดูเวลาแล้วมันชักชเยอ ะ, อะเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อก็สอนสอนในการปฏิบัติ แต่ท่านไม่ได้มาสอนแบบมันเรียกเรามาแล้วก็ให้นั่งหนึ่งสองสามแบบนี้แบบนี้คือเราปฏิบัติไปเลยแล้วแต่จริตความชอบของเราแบบไหนแบบไหนถ้าเราติดปัญหาอะไรเราค่อยเข้าไปถามหลวงพอ่อหรือบางทีเนี่ยเราฟังเทศเนี่ยที่หลวงพ่อเทศเนี่ยบางทีคําตอบมันจะออกมาเองออกมาจากคําเทศของหลวงพ่อนี่แหละในสิ่งที่เราติดเพราะอตาตมายอยู่มานานเนี่ยสังเกตหลายรอบ บางทีเราติดตรงนี้บางทีฟังตั้งใจฟังหลวงพ่อเทศมันก็จะมีคำเฉลยอยู่ในกันเทศนั้นๆเราก็ลองสังเกตเอาดอูขอยกตัวอย่างบางอย่างก็คือเรื่องปัญหาของนักปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติกันมันจะมีความลักลอบกดหลงต่างๆเนี่ยเป็นอุปสรรคสาคัญในการปฏิบัตอิอย่างขอยกตัวอย่างในเรื่องของความหลง ความหลงและในเรื่องของเขาเรียกว่าการปรุงแต่งของจิตก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยบวชเข้ามาใหม่ๆเรากโ็โหอยากจะขังแบบเขาเป็นนั่งสมาธิชวนกันขึ้นไปนั่งบนโบสถ์ทุกวันทุกวันนั่งวันละครึ่งชั่วโมงบ้างสี่ส้านาทีแต่ไปทุกวันว่เาเห็นที่นี่เขาขังกันนั่งกันปฏิบัติกันเราก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงพอไปถึงเสร็จปุ๊บ มีโยมท่านหนึ่งเหมือนกับว่าเขาปฏิบัติมานานแล้วเราก็ด้วยความที่เรามาใหม่ไม่รู้ไปนั่งสมาธิเขาก็คุยกันถอนสมาธิออกมาโยมบอกว่าโูหลวงพี่ดูแล้วมีบุญบา ร, รมีเยอะนะเนี่ยถ้าหลวงพี่ทำไปเยอะๆปฏิบัติไปเยอะๆโอ้โหอีกหน่อยจะเห็นหนูน่นเห็นนี่ได้ไม่ธรรมดาเลยเราก็ฟังปุ๊บจริงหรว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอคือความหลง เราฟังแล้วเราหลงเลยว่าเฮ้ยมันมันอย่างเนี้มันจริงหรือเปล่าโอ้โหช่วงนั้นฟิตเลยคูณสองติดเทอร์โบสมมุติเราขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงล่อไปชั่วโมงหนึ่งขึ้นวันขึ้นวันละหนึ่งครั้งล่อไปสองครั้งโอ้โหช่วงนั้นฟิตเลยฟังเขาพูดมาเกิดความหลงว่าเออมันเพอเพอรไม่แน่มันอาจจะได้ได้ฉันได้ยะอ่าพอไปเจอหลวงพ่อท่านสอนหลวงพ่อท่านก็ คุยกับโยมเราก็เข้าไปพอดีมีโยมมาหาลูกศิษย์มาหาที่วัดนั่งคุยกันเรื่องสมาธิอยู่ๆแกหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาเสียงดังบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอุจสรสอนเรื่องสมาธิให้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันนั่งด้วยความอยากมึงอยากได้ฌานได้ญาณอยากสำเร็จมึงปฏิบัติไปเถอะด้วยความยากเนี่ยมึงจะไม่ได้เฮียอะไรเลย เราฟังแล้วเขาพูดแรงด้วยพูดเสียงดังแถมมีการเล่หางตามาทางเราเราก็ว่ากูเน่ๆแน่เลยเกิดความเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่คือที่เขาสอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรามีตัวหลงมีความอยากอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งนั่นเองเป็นกิเลสที่ทาให้ขัดขวางในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เราลองเอาข้อคิดนี้ไปใช้ดู ไม่ว่ามันจะเป็นความหลงหรือการปรุงแต่งของจิตบางทีเรานั่งไปนิดหนึ่งรู้สึกกระพริบกระพริบเห็นแสงได้ฌานได้ญาณอีกแล้ว เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปเราก็จะนั่งแล้วอยากได้แบบนั้นอี ก, อ ย, กนนอยากเห็นนู่นอยากเห็นนี่ไอตัวอยากนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันมีความอยากนั่งยังไงก็ไม่ได้สมมติเรานั่งวันนี้เกิดความนิ่งมากเกิดปิตินิ่งสบายพรุ่งนี้ เรามีความคิดแค่ว่าอยากนั่งให้มันสบายเหมือนวันนี้อยากจิตนิ่งเหมือนวันนี้ไอ้แค่มีความคิดอยากขึ้นมาเนี่ยท่านไปลองดูมันไม่มีทางนิ่งได้แบบไอ้วันนี้เลย อ, อันนี้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนอสอนหลายเรื่องแล้วนะส่วนในเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คือไอ้ที่ได้เกิดไปในข้างต้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญาเนี่ยเราธรรมะมันคือธรรมชาติถูกไหมทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันบนเขาห่างไกลความเจริญเพื่อให้มันเข้าใกล้ธรรมชาติมากที่สุดเพราะธรรมะมันหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเราขอยกตัวอย่างสมมุติเราเนี่ยไปนั่งมองธรรมชาติเราลองไปนั่งมองฝูงมดเราเห็นฝูงมดเวลามันขนอาหารเนี่ยเวลาเรากินข้าวฉันเพนเสร็จเนี่ย อาหารไว้เนี่ยนั่งมองไปมองมาเห็นฝูงมดมันขนอาหารเนี่ยมันขนไปได้ยังไงมันขนเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยขนาดใหญ่กว่าตัวมัน4ี่ห้าอเท่ามันสามารถขนไปที่หลังมันมันขนไปได้ยังไงเราดูธรรมชาติเขาสร้างมาเราก็เอาธรรมชาติพวกนี้มาตีเป็นธรรมะดูว่าเฮ้ยมันทําไปได้ยังไงหนึ่งมันมีความสามัคคีกันอย่างที่พูดไป เราอยู่แบบครอบครัว Family ถ้าเราไม่มีความสามัคคีกันมันคงไม่เวิร์กทำอะไรก็คงจะไม่สำเร็จแต่ดูไอ้ฝูงมดพวกนี้มันมีการผลัดกันด้วยนะบางทีมันขนไปช่วยช่วยกันขนสามัคคีกันขนเนี่ยมีการแท็กทีมเปลี่ยนตัวเรา ล, ลองไปนั่งจ้องดูดีๆตัวอื่นเข้ามาตัวเก่าที่ขนแล้วสลับออกอ่ามันขนจนไปถึงลังมันได้สองเราดูว่า นอกจากสามัคคีแล้วอะไรความเพียรมดเหล่านี้มันมีความเพียรมากใหญ่กว่ามันตั้งห้าร้อยห้าห้อยเท่ามันยังขนไปได้เพราะอะไรอะ่ะมันมีความเพียรพยายามอย่างมากดังนั้นเนี่ยเราลองเอามาเป็นธรรมะในการปฏิบัติของเราว่าถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็จะแพ้ไอ้มดพวกนี้หรือแม้แต่ในการทำงานของเราเเราเอาปรับไปใช้เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรม เราเอาหลักทำต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้อย่างที่พูดมาเนี่ยมีความสามคัคคีมีความเพียรแค่เนี้ยเราทํางานเนี่ยมันก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วถ้าเราไม่สําเร็จสมมติเรากลับไปไปทํางานดูแล้วมันไม่ไหวเนี่ยเราก็นึกถึงไอ้ที่เรามาได้ธรรมะในป่าเนี่ยว่าไอ้มดพวกเนี้ยมันยังขนไปถึงลังมันยังทําสําเร็จแล้วเราทํางานเราจะ แพ้หมดพวกนี้เชเลือ่อเนี่ยธรรมะสามารถเอาไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะนั้นเนี่ยก็จะฝากไว้เป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติของเราใน9วันเนี่ยว่าเรามาแล้วมันได้อะไรบ้างเรายังสงสัยอะไรอยู่หรือเปล่า เ, เราใช้ปัญญาพิจารณ า, าดูเดยอะๆเราอาจจะได้คำตอบนั้น อ, อ, อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าจะควรแก่เวลาในวันนี้แนละ้ว ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้อาตมาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไาตา้และสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกจงมาอวยพรอำนวยอวยพรให้ญาติโยมที่ตั้งใจใฝ่ในธรรมมาปฏิบัติให้เกิดสติสมาธิและปัญญาคิดได้นึกออกในเร็ววันด้วยเถอดเอวังก็มีด้วยประการชนนี้